ให้แน่ว่าทุกวัยเต้ยอืมไปนหนึ่งก็ไปเยี่ยมคุยราละเอียดสองสามค้นว่าตกซึนแล้วว่าพาตัด เลื่ากตะวันตกตล่าหมอฉันมาสินผู้หนึ่งก็บอกโรคน่าเถ้าแก่ทงเลื่อย์จุดเมื่อยละเอ็ดเื่อรับเลื่ยใหม่เลื่ยนั่นเลื่ยนี่ให้ปีใช่หรอกับผู้ไหลายปีลว เี่ยมเยี่ยมนันแหลวก็ตั้ออมื่หนึ่งก็ได้ไปเี่ยมเสียตัวเสียตัวผููได้ร่ากับพึกกันว่ามาั้งพึกกันนั่นลหละมีแต่พวกมะงพวกม า, กมา ค, คนไปบอกว่าโอ๊ยมีแนวาพาเหตุพาทับเหมือนวะโอ๊ยไปบอกไห้เจ้าตกใจฟะก็ได้ เป็นพระวัดเท่าเราไปสางบวชเค้าเจ้าไปอยากให้เค้เจ้าดีข้อดีเลยไปท่วงหัง่นท่วงนี่เพียงเสียกําลังใจไปเลยเพื่อคลายแน่วของปูคนไหวจะเสียนั่นเสียนี่ไปเว่านเรื่องนั่นเรื่องนี่เป็นเสียกรรมกรรมของคนเท่าแต่ต่างกันสัางมากขึ้นกันแต่ พนว่าไข่บ๊วยเขาไปยังเห็นอยู่เด้ถึเป็นบ๊คือกันเนี่ยพ้นห้องยังว่ากรรมกรรมหน้าวัตติโลกโกน ะ, ะแสดงเห็นดูไปยังพระพุทธเจ้าเด้เมือ่อเวลาเห็นมันบ๊คือกันแล้วก็ใหมมาเห็นคือกันเปนเ็นใจคือกันเสื้อคือกัน เป็นพุ่มของคนนั่นคือกับพุ่มเดียวกันว่าไม่ทุกข์ว่ไม่ยากว่ามีลําบากลําบนว่าไม่ไปกลดไิการว่าไม่บ้าใบบอดนวกมือเดียวกันเผามือเดียวกันแจ้มมือเดียวกันตายมือเดียวกันแต่ก็เป็นไปได้เพราะกรรมของคนจําแนกแก่ใจสัตว์ปุริใจคนละย่างเด้อกันอยากเป็นไปได้ต้องถือขึ้นผู้พุทธเจ้าผู้รู้ ุทธเจ้าหาศีลหาธรรมมาสอนคนจากว่าสอนในคน้นใหทังทานศีลบุญนี่เพี้นขึ้น น, น, น, น, น, นี่เพราะปัญหาวันศีลมันพระมีจะค้นวัดนี่ไม่ต้องไปถามไก่เราถามคนใกลๆ้ๆคน ห, าหู้เพี้ยนชมือประจําชูมือเลยละ่ะวันพระวันของผู้เจ้าสอนในคนเพ็ดนน้ำพระพุทธเจ้าเด้ดเด้ด บาดิ่งห้าเป็นคนบัตันเป็นคนถึง ป, นน ป, ประเทศพระพุทธเจา้าถึงเ่าเห็ดน้าพระพุทธเจา้าคนจะไหลาพบพุ่มบาดิ่งห้าวการติดจ้าแนกออกไปหาใจของห้าวมีสติปัญญาพุ่มของพวกจังประเทศเเจีนเนี่ยจันทผ่านนี่อย่างแ น, น่จังชั้นถือท่านวัฒณนะไปได้ประเทศของพระพุทธเจา้า ดิเนสเซวัรรมของโวงเจ้าหรือยุคพุ่นถ้าหากเปรียบทั้งโลกก็แปลว่าไกล่พ ม, ม่าโลกกับพระมหากษาตุกย์กับพ ม, ม่าโลกเราเนี่บริเวณมากเกิดเป็นคนถูกหนักลำบากเลเป็นพบนาพบหลังก็บไก่มัคผลในพานก็ไปหมดแล้วแต่ยิ่งทำคํำทำสอนของโภยเกิดพว่มตะลูกเกิดพมตลาดนั่นพู่มพุ่นนี้มนุษย์ ติดโฉมนุ์สาติลาโพพ่ามันเป็นพุมมของคนนี่เป็นมนุษย์ถ้าหากเทียบทั้งโลกไปวัดจบมหาไร่นั่นคนเขาก็จงัจงที่หลายอันสูตรก็เลี้ยนเป็นหลายสั้นแต่ขนาดเมันกัมีมหาไรา่กักมหาไัยก็ทำมหาไรา่ตีท่เอกนั่นปริยาตีปริยาโทรปริยาเอกหุ่นรุดยอดของคนปริยาเอก เรื่องของพระหรือเกันแล้วรุดว่าของพระกับพุ่นพระหรั <c oughs> น <c oughs> พุ่นนะกันเชื่อพูะเจ้าเด้ทานศีลบุล ญ, ญก็ให้สมบุญเนี่ยศีลสมาธิปัญญาพระสงฆ์ก็ให้สมบุญเนี่ยนะสุปฏิปโนกุณเนี่ย บ, บัดนี้ผมผ่าเหลืองเลยก็พระ ส, ง ส, งสงองพระสองพระ大爷เป็นวกกันเดียวกันศีลเท่ากันมันก็ว่าได้เราปากแต่ว่ากัน ร, รักษาคือกันบ่นบัดเอา กันคือกันไปเน่ยอมเป็นทำบุญอย่างพวบอกทำบุญหล่ะยมมาอะไรสวดทั้งทานาจิตทูปจิตเทียนสวดทั้งทานตรวจน้าำยอมเดียวแตัไหนบัดแต่เลยมืดจากันไปด้วยพระก็มืดง้อมกับมืดไม่เม็นตีเด้เอาเหตุผลของพระเจ้ามาว่าวเด้อโลกะคือความมืดควบเงื่ับควบควบมืดขอบง้มสัตว์โลก จิต ใ, ใจของคนมั่วมัมืดบอดเป็นน้ำสิ่งที่ทาให้ใใจิตใจมั่วมัมืดบอดรักโรคแปบให้ได้หรอือรักเป็นยังไงโรกเป็นยังไรจึงจะว่าทําไห้ในในใจิตใจคนมืดบอดหุกขี้จนนโลกโลก ค, คืออยากได้จากรวยนั่นหาเองมาได้คนกี่พาตี รักมาจากไหนสวยงามหามาแต่ไหนก็ไปแต่งนั่น <c oughs> แต่งนี่ทุกตัวเป็นตาจากไอพระพุทธเจ้าพระทด่ดีๆว่าเอาขนดีๆว่าเอาเล็บดีๆว่าเอาแต่งไม้แต่งไม่แต่งไม่กสร็จทั้งเละเวทด้วยฟุกขี่ตีมงจะนองพวกม่วหม่วงห ม, ม, มดบอดไปเลยสิหมืนน่นจังไรสิสองแก่ีิวา่านอานสินภาวนา นั่นจะให้สุเม็นแบบได้ยัสิแต่ว่าพอสุมบนแบบได้ต่ท่านท่านก็หลอกแหละไปมากพรกก็เกิดที่เล็ดขนตะของไปพระนุงก็ว่าทำท่านตัวเขาบมีปัญญาไหมเพราะฉะนั้นหาวิธีหลอกลวงกันโอ้ยิดลูกหาลูกเจ้าหลานเด่นยูกบริษัทเมื่อมหาสารค้ามไปว้ามือหนึ่งไปบบจารงวดจายอยู่ แจ้งันผมติดถือถึงเพียรดอกวาแม่โคบอาจา์นิ่เม็ัวกขณะแม่ที่รุ่นหนึ่งกลุ่มหนึ่งนี่สมมุตถึนพู้หนึ่งว่าเป็นพระพุทธเจ้าพนว่ัลมาเบิงนั่นเบิงนี่มาเบิงเหตุการณ์ต่างๆภายหนานั่งลงไปเห็นนั่นเห็นนี่เป็นสันซี่โอ้ยเซตาไปเสียเด้อสันเห็นผู้หัวดดีแล้วก็สมมุิขึ้นสูงขึ้นมากเด้อ ถังต้มต้มข้นธรรมดากับขนธรรมดาแบบนี้ข้นสูงๆเต็มมาต้มผููมีจะกินแต่ยู้จะกินหรือว่าต้มเศร็จีก็ <c oughs> ว่าได้เของพได้มากตำตำนี่ฝุ่นเป็นพระพุทธเจ้ามากฝุ่นเห็นบอกจะไปเสียเด้อจะไปเสียเด้อเห็นบอกผนขอบไปลึกเข้าไปนี่ถอนมาได้ดิ้ไม้จิ้มข้อมคอเือเข้าไปนะ่ะมีอผ้าเสือเ้อนะถือผ้าเช้าเด้อโอ้ยไม่ออกก็ตั้งใจว่าติไปหาพระเจ้าเ ห, เห็นว่า ค <c oughs> าเห็ดคาถ้ำคาค่ายค า, านั่งคานี่ก็ไปนี่เอ้ยนี่ครั้งนึงได้ต่อไปอีกจะเท่าไหร่บุญเสร่มสิ้วต่อไปต้องเห็ดั้งสันทั้ง ท, ทีเป็นเศรษฐีกรตที่ต่อไปต้องเห็ดทั้งทีขนหมายถึง่าเพื่อเสียเมดเริ่มเป็นหนี้เป็นสินหมดนี่นั่นเาราไปเยี่ยมกับมิตรปงรเพื่อกันน่ะเงื่อนเดือนเตือน ใจบบวยโรงพจญบาลยุ่ใสรักษาคนบ่หายตายในโลกนี่บมมีมีแห่งเดียวคือพระพุทธเจ้ากันนะถือโรงบาลของพทธเจ้าแล้วเหตุน้ำพทธเจ้าได้บมไม่เกิดแต่ยม่เกิดแก้แก็บตายมาเถอะไสถามเข้าไปหัวใจนั่นต้องเสื้อนี่ต้องเสื้อนี่เห่นเสื้อกับเข้าขใจได้บะ ต้องเชือว่าพระพุทธเจ้าพระท่านเอาผลิพานไปนั่นั่นตราบใดาที่ยังมีผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามรรคผลิพานยังอยู่เชื่อว่าถจุดนี้ต้องเก็นนาพระเจ้าเห็นไหูหัวตะก้อนบอกเปนว่ า, า, าทองเลยอ่านออกมาาูฟังได้นี่ มันเมตตาหลวงปู่พาเขาพาเขาลงว่า้ผู้ใดไปนั่งชเพจตั้มพระเจ้าพราอดก็อดพาบุปผะอดอาหารละอดนั่งอดนอนอดหลับอดนอนอดลุกอดสันอดที่ยังทุกข์ยากลําบากคือว่าหายกองใจในใจเมันแล้วว่านั่นผู้ใดทุกข์คนนั้นทํา เป็นภาไปเบื้องแล้วเห็นทุกต้วงาบอกถูกปัน <c oughs> มรรคผลนิพพานอยู่ฝากตายทรัพย์สบมบัติอยู่ฝากปลาเหี้ยเอาตายสูนี่ผู้เหตุว่าส ม, มืน่นนางปิบแม่ขาวรุ่นก้อนเป็นนางปิบคนนี้อยู่เมื่อไรนางปิบนางสมาธิเพื่อป้องกันว่าเหี้ยถึงมีสมาธิป้อมือนี้ นาง่งปีบปบมันตะวันมีปิดแบบมั่นเด้เอาไม่ไปไกลพ่อนางสมาธิได้แขนกดไว้ใช่หรือก็บยุ่งไรปีบนางยุนะ่งไรฮะเป็นทั้งไหนบัดเอาแม่ตลอดขึ้นบ่ไห น, นได้กำลังใจจุนนี่คุณนี่ได้กำลังใจหลายกันได้ตลอดขึ้นบ่ลมบ้งวง่องบ้องเหงา ลงไปไว่ได้เด้ตั้งสัจจะเด้ถ้าหากไม่ได้นั่งตลอดคืนฟันนี่ไม่หนีจากที่บรลุจากที่ว่าเปลี่ยนทิยาบทนั่งยุ่งสัน้นสีเปลี่ยนยังไดรตีงอย่างไรเปลิดกรละลุกกระลิกเอียเ้ยงแนก็ล่มตัําเลยแล้วได้ไปคิดใจตายว่าเป็นป่วยว่าเป็นแย่ว่าเป็นเก็บว่าเป็ น, น, ปปนดอกใจเอาใจบวก มันนั่งก็พยายามเสียตัวไม่รอดกับท่านจิตโอ้ยลูกจิตรพรแม่ครูบาอาจารย์ว่าเรียาม่จิตเป็นเสียนะเอื่นเดอพุทธิมาเบอกยังจะไป็เสียก็เราจิดใจวันไหวช่วงหลังพระไปเบอกว่าเรามีเน้าเห็ดนาท่าเป็นตน่างจีนะผมมีเน้าเห็ดได้หรอกคือให้พระไตรสนคมแล้วยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พ, พแม่ครูบาอาจารย์เป็นตีพึ่งพุทธธรธรรมสร้ า, างคั ง, ง, งสารานังคัดชามิ มริชิดพูดสีปีธาตุเนี่นั้นเนี่ยนี่พูดให้เป็นผีพูดดีเป็นเทษษวดาเอาขําของพระพุทธเจ้ามาเห็นเตดีๆทําดีๆมากเตดีทําดีดมาดาดสมาธิเพราะหนาเขาไปสิ่งที่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องปกปักรักษากาจัดโรคไข้ไข้เจ็บออกก็้วยอานาจของสมาธิอำนาจของค้อมเชื่อมันในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระท่านคุณพระสงฆ์ในเชื่อมันจุดนี้จะไปวันไหลออกจากคุณพระพุทธท่านพระสงฆ์ และแต่โดยจะพู อ, อยางยิ่งก็คือให้เขาา้าใจว่าพระสง์เป็นตั้งไดปฏิบัติโตเป็นตั้งไดจุดนี้นะเขาต้งนองที่ผู้เจ้าสอนการเลือกให้พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญเลือกให้ท่านเลือกเขารบนะถือกาบายเลือกประพฤติปฏิบัติแนะนำํำตั้งฝนแล้วใดเป็นแนะนำํำถูกต้องใจบอกแกเรา เรือ่องสังขารร่างกายเกิดแล้วแก่เก็บตายสวดทุ่มือเห็นว่าทั่งพวกสวดทุ่มือเขาใจบ่ามือสวดได้เห็นว่าใจใจเห็นแก่เก็บตายบ่าใจผุ่นนี้ผู้เห็นตาเนื้อว่เห็นเด้เห็นว่าสังขารร่างกายนี่แก่เก็บตายเกิดแล้วแก่เก็บตายพอแม่ผู้หญิงแต่แรกก็ไปแล้วที่ไปก็กันแต่ว่าเสียเวลาอย่างเสียอย่างเดียวคือบ่แม่นู่นเดียวกัน แต่ว่าต้องไปมัดทุกค น, นก็รในเกิดมาแล้วความตายของเรามันเพียงแล้วก็ย่ำเข้าไปคือ <c oughs> เพราะฉะนั้นในพยายามพยายามเน่นหนักขาดทาสมาธิกับย่ำเรื่องนี้แหละบอกว่าเบิ้งใจเข้าไปเบิ้งใจเข้าไปเบื่อซื่อจะไปห่วงหน้าง่วงหลังห่วงนั่นห่วงนี้สิ่งดใดที่ถ้าไห้คิดใจวนเวียุวนว่ายก็ให้เป็นสมาธิแต่ถ้ า, ามาคิดมาปรุงเข้าสมาธิโดยเฉพาะโลกให้เจีบยติเขาไป อันตรายอันตรายนี่ยละหรือ ว, ว่าก็ว่ามะนี่ยละจะมีผู้เศร้าแล้วก็มีเห็นยุ่นแด้ผู้เชื่อมันน่ะเขาเชื่อมันในการปฏิบัติเศร้าพอเศร้ า, ากับไปโย่ไปก็ตายคือเก่าให้ลงไปที่ให้เจเลตหรือพวกแจกคนเจเลตเลี้ยงว่าเหตุนหนังโอยเชื่อมันจุด น, นี้ผู้เจ้าบอกว่าจังไร ห้า ม, มบังคับอยู่ห้ามบังคับไปนั่นเพราะวจะบังคับให้สังขารนร่างกายอยู่นี่เพี้ยนนี่บังคับในร่างกายอยู่น่นคือบัตรเรจะไยังยิ่งทังขารนร่างกายเขาเห็ดเต็มทีเราไปเมื่อไรก็พร้อมแล้วแต่ว่างสั้นตัวปฏิบัติวิเศษเขากิดเพ็ดมากคือเกขาเห็ดเต็มที่มาแล้วอยู่ต่อไปอีกเขาเพื่อจะมาเห็ดให้ ตัเขาเหตุเอาคือเานะขาเขาใจว่าเขามาบังคับอยู่ยงัะไรไปหาหมอหันหาหมอนี่หาเหตุนั่นเห็ุนี่ตามขานิยมของโลกกียนะกษ์เวเจ้าต้งห้ามเพราะมันเสียหลักของการเชื่อมันในคุณพระคุณเจ้าแต่จิตใจวอกแวกคนแค้นแลนพุนแลนไ ป, ไปหาพุนหาพี่แต่เกษตรก็ตายคือเกขานะี่ยมันเศ้าแล้วก็นังสิตาโยนหน้าเดิน บังคับไปก็ยังไหนผลพระแม่เจ้าของไปโทษน้ําตายพระแม่เจ้าของกั้นใจตายพระแม่เจ้าของผูกข้อตายนั่นก็ไม่ได้รา ง, า ง, างโทษไว้แล้วอันนั้นจะเกรรมขาพ่อขาแม่าขาตัวเจ้าของเป็นกรรมนัก บ, บ, บรักษาเอาไว้เท่าเวลาอันควรของสังขารนี่เขารักษาอยู่ได้หน่ เขาน้าบก็กินเขาทิกินได้ท่านได้เบ่งอยู่รักษาอยู่นี่เบ่งบรรักษาเด้อเาตามหน้าที่ของผูเจ้ารักษาตามหน้าที่ของผูเจ้าก็ได้เกลี้ยร่อนผุนวหวอันด้ใจของเขาติดตับปฏิพลดังวนดไปหาหมอที่นน่นหายคนมาเป้าหูหมอนี่ก็หายโรงพยาบาลนูนก็หายโรงพบาี่ไหนกันมันหายก็คือว่าดีเียบาด แต่มันถึงเวลาหายมันก็หายเจอถึงบทกรรมวัทถันเถึองมันกรรมมาแล้วมม่มีผู้ห้ามอยู่หรอกตรงท่านใจน่ะเบิ้งหลดเข้าไปหลดจะไปเสืออันเสือมันจุ่นนี่หายผ่้หายนาทีของกรรมเวทนั่นเราสร้างกรรมอะไรมาไปแล้วมาบ้างแล้วกรรมมโนวัตติโลโกสัจโลกเป็นไปตามกรรมไม่มีผู้ติตดกรรมได้หรอกบ่ได้ติพุดสูุกรรมได้หรอก เขาอย่างมาแทงกรรแทงบไตรเพราะฉะนั้นให้พยายามเน้นหนักภาคปฏิบัติได้จิตไจบอกแหวกคนแคนดีแล้วมนรัตนาพระเจ้าประสงค์ครูบาอาจารย์มารักษากรวบาแม่เอาคุณนประพุทธเจ้ากระทําประสงค์คนสุดที่ตวดไท้ตรวดไปตามนาทีวัฏขันบริบกงามใ้ตูกปฏิโยนะ ก็จกขันธารูปกกขันโทเวทนาขันโทรูปเวทน า, ส, นจนจาสังขาจินดาสังขารวิญญาณมีหน้นาที่จะเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ว่าไปสลักในก็ปุปตนาทีของคนนาทีของเขาก็คือภาคปฏิบัติธรรมาที่ไม่วันไหวติดใจให้หนักแน่นมั่นคงตัวอทำพิทีให้ความกันมีนากาม บอกป๊อบาน กนาน้รรม <c oughs> ไปไปเรียนก็ไปความหัวดีๆได้ม้อนก็ได้ความผมมาก สมาธิเลยสมาธิเลยไถ่พอสบายกับข่าสมาธิเลยเปได้ทุกคนว่า้าจิตข่าสมาธิด้วยความใจว่าตนเองพอสบายกับข่าสมาธิใจสบายมโหตามังกาวะโตภรหะโต Samgo dada na. ยาวานิพันธ์สัพนังกัจจามิด้วติยมีพุทธังอายุวัตนังจิตังยาวานิพันธ์สัพนังกัจจามิด้ติยมีธรรมังอายุวัตนังจิตังยาวานิพันธ์สัพนังกัจจามิด้ติยมีธรรมังอายุนัง s ัณห์นังจีวิตตัณห g ยาววานิพันธ์นังตระนังอจามีตาปิยามีธรรมะอายุวัตตนังจีวิตัณยาววนิพันนังตระนังอาิยมังฆอายุตตนังจีวิตัณยาววนิพันนังตระนังามัจกันา ดังโกนไดยัโตมาณฑินได้ยังโรมณฑินได้ยังเล็คนได้ยังสาธินได้ยังวิรินได้ยังสาธินได้ยังสมานินได้ยังทังินได้ยังอนัจจตาจจตาวิจินได้ยังทังินได้ยังอนัจจาวินได้ยังจัตตาริยริยสัจจน ดูขมอริยสัจจังด่สมุทโยอริยสัจจังดูิโรโทอริยสัจจังดูผิโรภกามิเนปติภะาอริยสัจจังอวิชชาปิญาสังขารสังขารปญวิจญานวิญญาปญา They are my o o ปัจจัยโยนาธิปัจจโยเวคตาปัจจโย